บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านโทตกะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้ยเรื่อประลบที่ตนเองว่าลําพังท่านเองนั้นไม่สามารถที่จะข้ามโอคะหรือพวกน้ําใหญ่ไปได้ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องข้ามโอกาสให้แก่ท่านดังได้กล่าวมาแล้วว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงไปตามพื้นอัธยาศัยของคนโดยการตรวจสอบพื้นฐานทางอินทรีย์คือความเชื่อความเปลี่ยนสติสมาชิิและปัญญาของบุคคลต่อนั้นเสียก่อนว่ามีความแก่อ่อนมากน้อยแค่ไหนเพียงไร และแสดงธรรมะให้เหมาะสมแก่อินทรีย์ของบุคคลดอนั้นที่สำนวนการศึกษาในปัจจุบันชาติคำว่าดูความพร้อมของนักเรียนนั่นเองท่านโตตะกะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตมาถึงขั้นสูงแล้วแต่ก็มีปัญหาที่ก่อให้เกิดการห ย, ยุดชะ ง, งักคือไม่สามารถจะเดินต่อไปได้แสดงเห็นว่าท่านเองมองเห็นโทษของกิเลส ซ, ซึ่งเป็นดูดท่วงน้า มองเห็นโทษของกรรมมองเห็นโทษของภพมองเห็นโทษของทิฏฐิและมองเห็นโทษของอวิชชาแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงหลุดพ้นจากโทษตอนนั้นไปได้ตอนนั้นจึงมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคจากจากหลักฐานที่แสดงไว้นั้นแสดงว่าท่านไดบ้บรรลุรูปไปฌานมาแล้วและเจริญอรูปไปฌานมาถึงขั้นที่สอง อรูปฌานนั้นเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานกลุ่มหนึ่งแต่ตามปกติแล้วจะส่งสอนแก่บุคคลผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรโดยตั้งสติกำนดลึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งมีอานปานาสติเป็นต้นมาก่อนจนจนบุคคล น, นั้นบรรลุรูปฌานสามารถสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการโดยน้าดับคือเมื่ อ, องฌานบังเกิดขึ้น 5ประการแล้วองค์รานทั้ง5ประการนั้นจะทําหน้าที่สงบนิวรณนซึ่งเป็นสิ่งกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีเป็นคู่คู่ไปอย่งนี้เมื่อวิตกคือความจดนึกที่ประกอบด้วยธรรมบังเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่สงบธีนมิทะคือความหดหู่เครื่อนเคลื่อซึ่งซึมห ง, งอยเหงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยตลอดถึงง่วงงุน ซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลให้สงบไปโ ม, มปวิจารคือความไตร่ทองธรรมที่ประกอบด้วยกุศลมีความสงบมีความสุขเป็นฐานบังเกิดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติวิจารคือการไตร่ทองนั้นก็จะทําหน้าที่สงบมิจิกิชาคือความเครื่อนแคลงสงสัยให้เจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลแต่เป็นความสงบในชั้นที่เรียกวบสยบ คือกดเอาไว้ข้างหลังไม่แสดงปฏิกริยาต่อจิตได้คือถึงแมจ้จะมีอยู่ก็ไม่ขึ้นปรุงแต่งจิตสร้างความวิปริตแปรป ร, ปรวนให้เกิดขึ้นกับจิตใจทำนองตะกอนที่ตกอยู่ใต้กตนภาชนะไม่ทำความขุ่นค้คนในน้ำข้างบนฉะนั้นเมื่อปีติคือความอึบอิ่มใจมันเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบ ความรู้สึกขุ่นมัวเร้าหมองอันเกิดขึ้นจากความไม่พอใจความโกรธความหมกมี ค, ความอากาศประยาบัติที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้ส ง, งบไปเมื่อความสุขซึ่งเป็นองค์ฌานมันเกิดขึ้นความสุขนั้นได้แผ่ไปทั้งส่วนกายและส่วนจิตของผู้ปฏิบัติตก็จะทําให้สงบอุทจักกุกจะกคือความคุ้งซ่านรําคาญซสสาสัยไปฟุ้งไปของจิตให้สงบ เมื่อเอกกคตตาคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเจนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วอยู่ที่อารมณ์ประมาฐานก็อใดข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวแสดงว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติมีความตั้งมั่นที่ทรงช้คกว่าอเอกกคตตาคือถึงความเป็นอารมณ์เดียวเพราตามปกติแล้วจิตของคนจะมีอารมณ์เป็นนั้นมากก็ เ, เรียกว่ามีอารมณ์วิจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้าง แต่เมื่อปฏิบัติมาอยู่ถึงในจุดที่เรียกว่าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวมีปีติมีความสุขเป็นปัจจัยสนับสนุนในขณะนั้นการมาฉันคือจิตที่สายไปตึกนึกไปถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจก็สงบและจากจุดนี้เองในขั้นของการปฏิบัติสมัยก่อนพุทธกาลทึ่พระพุทธเจ้าเองก็เคยปฏิบัติมา ก็จะเดินไปเพ่งแหล่งที่อากาศคือจะมองดูอากาศแเราจะพิจารณาว่าอากาศนั้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้พรารถนาใจนั้นจะแล่นไปในอารมณ์ต่างๆที่ต้านอุบมาอุปุๆอุบมาเหมือนกับวานอนวิ่งไปบนต้นไม้เกาะกิ่งนี้วางกิ่งนี้จับกิ่งโน้นวางกิ่งนี้ก็จับกิ่งโน้นเรื่อยไปคือแสดงว่าต้องหาที่เกาะเรื่อยไปเรื่อย ทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบนั้นก็พยายามใช้ปัญญาพินิษฐพิจารณาดูหนทางที่จะเดินต่อไปในที่สุดท่านก็ไปเพ่งดูอากาศแต่ตามปกติแล้วท่านจะเดินมาในสายของกสิณคือการเพ่งดูอารมณ์เช่นดูดินเป็นต้นจนดินนั้นติดตาภาพดินนั้นติดตาสามารถน้อมนึกขยายยอส่วนขยายส่วนของดินได้ที่เรียกว่าเป็นปฏิภาคมิตรคือมิตติดตา แล้วท่านจะเริ่มมองไปที่อากาศโดยบริการว่าอากาศนั้นหาที่สุดไม่ได้อากาศหาที่สุดไม่ได้จิตใจก็นั้นก็จะเห็นจริงตามสิ่งนั้นแต่ความยึดติดในอากาศที่เคยมีอยู่ก็จะปล่อยวางบาบางลงไปแต่จีก็ต้องคว้าอีกต้องวิ่งอีกจะไปคว้าจะไปจับอะไรจิตฝังตัวเองไว้หรือฝังใจไว้ในเรื่องอะไรก็จะหันไปคว้าในเรื่องเหล่านั้น ในต่อไปก็จะมองไปที่วิญญาณและจะค่อยๆเห็นว่าแม้วิญญาณเองก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้โดยในชั้นของสมถกรรมฐานก็เอาบทนั้นมาบริกรรมว่าอนันตังวิญญาณนังแปล ว, ว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้วิญญาณหาที่สุดไม่ได้บริกรรมไปรอดครั้งปันครั้งหมื่นครั้งจนจิตใจก็ท่านเห็นไปเป็นอย่างนั้นจริงๆเหตุ ว, ว่าวิญญาณเองก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ในสุดมันก็มหาที่เกาะไม่ได้แล้วเพราะว่าความเชื่อถือของคนส่วนมากจะมีวินดานเป็นตัวสูงสุดออกไปไปดูอากาศก็ไม่มีที่สิ้นสุดดูวิญญาณก็ไม่มีที่สิ้นสุดดูอะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดในสุดก็พยายามมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเห็นว่าจริงทั้งหลายนั้นแม้จะมีการบรญญัติว่ามีก็มีอยู่เพียงเด็กน้อยเท่านั้นที่ท่านเรียกว่าอากินจัญญายาตนาชาต การมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แ, แสดงให้เห็นถึงความเจือจางเบาบางของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นในชั้นของสมถกรรมฐานท่านกรรมนามมาบทนั้นมาบริกรรมแล้วในสุขก็จะมองเห็นโลกเป็นเช่นนั้นจริงและจิตใจที่เคยยึดติโดยเฉพาะความยึดติดของบุคคลนั้นสำมวลบาลีทรงใช้คำว่าอัตราอัตัญญาคือยึอดติดในตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตน จะพูดไปเป็นพันเป็นหมื่นก็ตามสุดสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องของตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนในชั้นนีกก้พระเจ้าประสงค์สอนให้มองมาโดยลาดับแล้วตั้งแต่ในชั้นของศีลคือให้บุคคลเพียงพยายามประพฤติปฏิบัติที่จะทําทตนเองให้เดือดร้อนทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนให้เดือดร้อนในชั้นของการยึดถือภายในจิตใจต้องบุคคล ก็จะมีการยึดถือในตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนแต่ความยึดถือเหล่านั้นที่จริงก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งกระจายตัวเองออกไปเป็นกิ่งก้านสาขาออกลูกออกดอกออกผลกระจายกันไปเรื่อยแต่ว่าเชื่อมโยงกลับเข้ามาหาต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่า น, นั้นเองนั้นก็คืออัตตาได้แก่ตัวตนข้อนี้จะมองเห็นความสายไปของจิตในวัตถุในบุคคลในสัตว์ในสิ่งของทั้งหลาย เริ่มจากตัวเราพ่อแม่ของเราทรัพย์สมบัติของเราเรื่องสวนได้านาของเราอะไรของเราเรื้ยไปเรื่ยจนไม่รู้ของเรานั้นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เมื่อดึงกลับเข้ามาแล้วก็คือเรื่องของตนใจไปยึดถือในสองสถานะยึดถือในสถานะที่กำหนดเป็นที่รักให้ชอบใจพอใจก็เกิดจากได้เกิดความหวงเกิดความห่วง เกิดความโอยหาอะไรเกิดความเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่เกี่ยวกับในสิ่งที่เป็นของตนตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นเพราะความทุกข์ความสุขของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับเรื่องเหล่านี้เวลาตนได้สิ่งที่ตนชอบใจตนได้รับความสุขในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมากับตนจะเป็นดาบพี่น้องของตนก็ตามได้สุขตัวเองก็สุ ข, ต, สขตามไปพะสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไป จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นความโศกเป็นความร่ำไรราพันเป็นความทุกข์เป็นความเจ๊ดใจเป็นตนซึ่งในเชิงของการปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติธรรมาจะเห็นว่าระพุทธเจ้าทรงสอนมาโดยในยะนี้คือพยายามให้เข้าใจในสิ่งที่ใจของบุคคลไปกําหนดว่าเป็นตนในชั้นหนึ่งนั้นก็พยายามปรับปรุงตนเองเป็นชั้นของโลกีธรรมจะในเตือนตนโดยตนพิจารณาตนโดยตนสั่งสอนตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตน ก็ถือว่าอาศัยตนนั่นเองแต่ก็ใช้ตนให้เป็นประโยชน์แต่ในชั้นที่หนึ่งก็พยายามที่จะปิดกระแสสิส่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตนให้ลดความรุนแรงลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้วยการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในมาสติปัฏฐานในสูตรสองคำว่าอภิชาตโธมนันทคือความชอบกับความชังนั่นเอง ให้ลดการกำหนดอารมณ์ในแนวชอบกับแนวชังให้เบาบางลงไปโดยสอนวิธีหลากหลายออกไปเห็นว่าให้การมีการสํารวมระวังอินทรีย์หรือไม่ดูไม่เห็นจะเลยเป็นดีถ้าเกิดจะดูต้องเห็นข้าวก็ไม่มาน่าสิการเพื่อให้เกิดกิเลสคือความชอบความชังขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆจนพยายามถ่ายถอนตัณหาตัณหาในความเป็นของเรา ซึงเป็นลักษณะอาการไขว้คว้าทางจิตของบุคคลที่พระบราณอาจารย์ท่านอุปมาจิตของบุคคลในกรณีนี้คือในกรณีการกําหนดหมายด้วยแรงของตันหาที่แต่งใช้คําว่าเอตังมามะคือนั้นเป็นของเรานั้นเป็นของเราก็กําหนดกันเรื่อยไปแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับเราจึงได้กําหนดเป็นของเราแต่ก็มีการกําหนดสองแนวดังกล่าวคือกําหนดด้วยความชอบกับความฉัง จึงกำหนดเป็นมิตรของเราก็เป็นศัตรูของเราในกรณีของคนกำหนดเป็นของที่เราชอบกับของที่เราไม่ชอบในกรณีของวัตถุสิ่งของกำหนดเป็นของของเรากับของศัตรูเราในกรณีที่เป็นสิ่งต่างๆเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นเดอนเป็นรถเป็นต้นใจก็กำหนดเรื่อยไปโดยวิธีนี้สึ่งพระพุทธเจาก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามที่จะมองสิ่งนั้น ในแง่ายของความเป็นจริงแล้วก็บังคับใจอย่าให้ไขว่คว้ามากเกินไปเพราะตามปกติการไขว่คว้าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนโดยในยะนี้จะสายไปในอารมณ์ทั้งหลายที่ท่านอุ ป, ปมาไว้ว่าใจนั้นเหมือนกับ น, นกไมหกักะคำว่า น, นกไมหก้หะกะเป็นชื่อภาษาบาลีแต่เราแปลเป็นภาษาไทยก็คือของจันของเรา แกจะร้องที่ใดก็ตามแกจะจับที่ใดก็ตามแกจะร้องว่าของเราของเราของเราคือไม่หา่งไม่หังแต่ว่าเก็จริงแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของนกนั้นนกนั้นต้องทิ้งสิ่งเหล่า น, นั้นไปไปจับต้นอื่นนกจะร้องว่าของเราของเราแล้วก็เดือดร้อนเพราะของเราตรงนั้นในขณะที่ยังไปยึดถือว่าเป็นของเราพอเพื่อมาจับได้ก็เกิดความโกรธมีการต่อสู้การเบียดเบียนกันแห า, ากว่าพ่ายแพ้ตัวเองก็ต้องบอบชำ้ำเจ็บปวดแล้วก็ต้องหนีไป ไปจับไปยึกถือตรงอื่นอีกว่าเป็นของเราถ้าหากว่ายึดครองตรงนั้นได้สามารถกำชัยชนะในการต่อสู้ยึดครองตรงนั้นได้ก็เกิดความหวงเกิดการรักษาป้องกันเดือดร้อนไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะสิ่งเหล่านั้นลนจจักษณะใจที่แล่นไปในอารมณ์เหล่านี้ท่านจึงว่าเป็นไม้หั ก, กซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนในแนวฟอกอัตยานสายมาโดยลาดับการที่ทรงสอนให้สวดว่า เราจะต้องพัดพาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเพื่อสอนบุคคลเจียมใจว่าสิ่งที่เราไปกําหนดเอาไว้อย่างนั้นเราจะต้องพรัดพลาดไปแล้แม้ในสิ่งที่กําหนดด้วยความจังก็จะต้องพัดพลากไปอย่างน้อยเพื่ออะไรอย่างน้อยเพื่อให้หยุดความคิดไว้ในตอนนั้นว่าจะอย่าไปโอบอุ้มก้อนรัด อ, อารมณ์เหล่านั้นไว ม, มากเกินไปเพราะวันเดินจะต้องพลากจากกันเวลาพลากจากกันแล้ว ถ้าก so ็ได้เตรียมใจไว้ก่อนก็จะปรองใจอย่างลงสู่กฎธรรมดาว่าสิ่งที่จะต้องพลัดพลาไปเป็นธรรมดานั้นได้พลัดพลาไปแล้วแต่ถ้าหากว่าไปอุ้มรัดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้มากที่ทรงใช้คำว่าอุ้มอารมณ์คืออุ้มอารมณ์เอาไว้มากเวลาสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญอยู่กับสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันเมื่อการกําหนดรู้ถึงความจริงดังกล่าว ก็ปรงใจได้สิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาแตกดับไปแล้วสิ่งจะต้องแก่ท่าเป็นธรรมดาก็แก่ท่าไปแล้วสิ่งจะต้องสูญสลายไปเป็นธรรมดาก็ได้สูญสลายไปแล้วจิตใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในธรรมะได้และโดยการมองในแนวนี้เองแม้ในยากของอากินญัญญาญาตนาชานซึ่งเป็นชื่อของอรูปิชานได้แก่การเพ่งเล็งไปในสิ่งที่ไม่มีรูป เกื้อหเห็นน้อยลงโดยลาดับได้โปรดสังเกตว่าแนวของพระพุทธศาสนานั้นในชั้นตน้ตนๆก็ยอมรับอัตตาตัวตนเป็นชั้นของสมมติสัจจะส่งสอนธรรมะระดับพิเารธรรมคือการครองเรือนมีสามีมีพันยามีลูกมี้า ม, มีครอบครัวแต่ให้ปฏิบัติกักนโดยความเอือ้อเฟื้อเพื่ อ, อครองชีวิตอย่างเป็นสุขในฐานะนั้นๆแล้วก็ให้เรียนความจริงขึ้นไปโดยลําดับ จนมาถึงจุดหนึ่งก็ได้มองเห็นว่าเอากระจิงแล้วมันก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จริงสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นเริ่มมาจากไม่มีอะไรแต่ในที่สุดมันก็เกิดมีขึ้นยกตัวอย่างตึกสวธรรมนิเวศนี้เมื่อก่อนไม่มีคือเริ่มมาจากอภาวะคือความไม่มีและก็ความไม่เป็นแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นภาวะคือกลายเป็นความมีความเป็นขึ้นมาถ้าก่อนจะมีจะเป็นถามว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นตัวปรุงแต่งคือความอยากจะให้มีตึกสวทําอินเวศขึ้นแล้วในที่สุดจิตก็ไปปรุงแต่งออกมาเป็นรูปเป็นแบบจิตก็กําหนดราคาจิตกําหนดโครงสร้างจิตกําหนดวัตถุดิบที่จะหาปามาจากที่ต่างๆและจิตก็บงการให้ไปขนให้ไปหาวัตถุดิบเหล่านั้นมาแล้วก็จิตก็ปรุงแต่งประกอบวัตถุดิบเหล่านั้นเข้าไปในแต่ละจุดได้สัดส่วนตามที่จิตได้วางแผนไว้แต่ดิม ในที่สุดก็ออกมาเป็นภาวะคือความมีปรเกิดเป็นภาวะความมีจิตก็ยึดว่าเป็นตึกของเราแล้วก็ใช้ส้อยจากสิ่งเนั้นโดยความปวกเป็นหว่วงโดยความม่ต o c h o กังวลโดยการคอยอารักขาคอยป้องกันคอยดูแลกันอยู่เรื่อยๆก็เดือดร้อนกันอยู่เพรตรึกตานี้แต่ในที่สุดโอกาสเนี่ยไอ้วัสดุต่างๆที่นำมาประกอบกันเป็นตึกนั้น ที่จริงแกก็ไม่มีด้วยตัวของแกเองแต่เป็นการเกาะกลุ่มการของสิ่งต่างๆพอถึงจุดหนึ่งแกจะคืนเข้าสู่สภาพคือความไม่มีสิ่งต่างๆก็แยกใจกระจายกันออกไปคืนสู่สภาพเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศไปโดยลําดับแล้ว่อถึงโอกาสหนึ่งแกได้เหตุปัจจัยก็เกาะตัวขึ้นมาใหม่อีกก็กลายเป็นความมีขึ้นได้อีกและในที่สุด ก, ก็กลับเข้าสู่ความไม่มีอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองในแนวของวิปัสสนา จนได้ว่าการมองสองแนวกับการมองแนวนี้มองเพื่อให้เกิดความส ง, งบและเกิดปัญญาตามหลังก็ได้แต่ว่าในชั้นหนึ่งบุคคลไม่จําเป็นจะต้องเดินถึงจุดนั้นก่อนจึงจะมองจะเป็นการมองในแนววิปัสสนาเคอเห็นไปจากชัดตามความเป็นจริงว่าแม้แต่ตัวเราเมื่อก่อนก็เป็นอภาวะคือไม่มีไม่มีเรามาก่อนเราก็เกิดขึ้นจากจุดย่อยๆเล็กๆที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรม เป็นทุลีดินทุลีน้ําทุลีลมทุลีไฟเป็นทุลีอากาศจุดจ้อยเล็ก เ, กเกนิดเดียวเท่านั้นประกอบกลุ่มขึ้นมาทีนิดหนึ่งซึ่งอาครั้งแรกอาจจะเห็นด้วยตาไม่ชัดเจนเลยทั้งไปส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมก็นิดเดียวส่วนที่ประกอบด้วยนมามธรรมก็มีกิเลสกรรมบิน ญ, ญานเท่านั้นซึ่งทั้งสามอย่างนั้นเอาจริงก็ไม่ได้เห็นได้ในตาสรุป ร, รูปธรรมกับนามธรรมมาเกาะกลุ่มกันเข้า แล้วจะเริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยจากจุดที่เป็นหยาดน้าําใสๆมากลายเป็นเหมือนกับน้ำล้างมือล้างเลือดมันก็กลายเป็นเส้นบุญมล้วก่อเป็นก้อนเลือดแล้วก็ก่อเป็นชิ้นเนื้อแต่กิ่งเป็นห้าแฉกเติบโตขึ้นมามีผมขนได้ฟันขึ้นมาโดยลำดัเกิดมาแล้วก็สมมติบัญญัติกันว่าเป็นคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเริ่มสมมติบัญญัติกัน ตั้งชื่ออย่างนั้นทราบเข้าไปในสมมุติเหล่านั้นพอโตขึ้นไปก็สมมติเป็นนักเรียนสมมติเป็นนักศึกษาสมมติเป็นผู้ทํางานในตําแหน่งเหล่านั้นสมมติชั้นยศกันเพื่อเป็นการเสริมสั่งมานะขึ้นมาและในทสุดก็เป็นทางเพิ่มพูนของกิเลสแต่ว่าจุดสุดท้ายจริงๆไม่มีอะไรกลายเป็นดินน้ําลงฝ่ายเกินสู่สภาพเดิมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรียนชีวิต อย่างที่เคยกล่าวว่าเทวทูตคือสิ่งที่มาจะ ก, กระตุ้นเตือนบุคคลให้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตที่ท่านใช้กรรมเทวทูตนั้นให้มองตั้งแต่สตรีมีคันเด็กเกิดมาแบกเปาะอยู่ในเบาะแล้วก็คนที่ถูกโทษคุมจับถูกลงพันธกรรมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่แก่และคนที่ตายตลอดถึงซากศพ กองกระดูกต่างๆผงกระดูกต่างๆ <_ d ance> เพื่อมองเชื่อมโยงมาจากจุดเริ่มต้นซึ่งนิดเดียวทันเดกไม่มีอะไรแล้วกลับไปสู่ความไม่มีอะไรอีกเช่นเคยดังนัพระเจ้าจึงทรงสอนบางครั้งบางคราวก็สอนให้ดูว่าชีวิตของคนนัน้นเหมือนหยาดน้าค้างที่ตกลงบนใบไม้ใบหญ้าต่างๆถ้าบุคคลไปยืนดูหยาดน้าค้างบนใบหญ้าใบ ไ, ไม้ ก็จะเห็นได้ว่าน้ําค้างบางแห่งแห็งเร็วบางแห่งแห็งช้าทําไมจึงแข็งเร็วแข็งช้าอย่าน้ําค้างตกลงไปในที่ใดที่มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วการดูดซึมเข้าไปก็มีน้อยอยาด้ําค้างเหล่านั้นก็จะอยู่ได้นานๆแต่ว่าตอนใดที่มีความไม่มีความชื้นอยู่ยาด้ําค้างตกไปก็ะดูดซึมหายไปหมด ใบไม้ใบหญ้ า, า, า, านั้นมีความชื้นอยู่ภายในจึงรักษาหยาดน้ำค้างเข้าไปได้แต่ว่าในทรายในดินในหินแกซึมซับไปได้เร็วลักษณะของชีวิตของบุคคลก็เป็นเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วดำรงอยู่เหมือนกระยาดเขาน้ำค้างถากว่าบุญเป็นเหตุให้อายุยืนมีอยู่ความพยายามรักษาสุขภาพรากายสุขภาพจิตในปัจจุบันดีอยู่ มีอายุก็ยังไม่สั้นอาหารที่สืบต่อชีวิตก็ยังมีอยู่ไออุ่นยังไม่ได้ขาดไปชีวิตก็สืบต่อดำรงอยู่ได้แต่ในที่สุดก็ต้องเข้าไปสู่ความเป็นอย่างเดิมคือไม่มีอะไรชีวิตของบุคคลเ่านั้นอาศัยบุญทั้งที่ส่วนอนดีตและส่วนที่ปัจจุบันที่เป็นเหตุให้เกิดเจตุพิทัก์พทั้งสีประการเกิดยุรนาสุขาปัร ะ, ะอย่างที่ให้กัน ส่วนหนึงต้งแสดงว่าเป็นผลจากกุศลกรรมเหมือนกระดาษนั่งพังตกลงมาบนใบไม้ที่มีความชื้นรองรับอยู่แล้วก็รักษาตัวเองอยู่ได้นานแต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงแตกดับไปเป็นธรรมดารูปร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่ามองเปรียบเทียบกับอายุของสัตว์บางแค่นิดเช่นอายุของเต่าเป็นต้นคนอายุก็น้อยกว่า จะนําไปเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นจาตุมาราชเป็นต้นยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านได้แสดงว่าอายุของมนุษย์วันหนึ่งอายุของเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงวันหนึ่งก็คืนหนึ่งนั่นโรคมนุษย์ได้ผ่านไปแล้วร้อยปีแหมายความว่าชีวิตของคนที่คุยกันนักคุยกันหนาว่าอายุยืนนั่นแล้วก็จริงยังไม่ได้สักวันหนึ่งเไปเทียบกับอายุของเทวดาชั้นดาวดึง อายุสัก50ปีเทียบกันได้กับอายุขอ ง, ของเทวดาชั้นจาตุมาราศเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเองยิ่งเทียบขึ้นยิ่งเทียบขึ้นสูงแล้วก็จะเป็นอายุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองการเปรียบเทียบในลักษณะนี้เราอาจจะมองในส่วนอื่นก็ได้เป็นว่าคนบางคนศึกษาวิชาความรู้มาอะไรเพียงเล็กน้อยแล้วก็หลงตัวเองว่ามีความรู้เกิดมาณะว่าตัวเองมีความรู้ก็ใกล้ๆกับเด็กม .3 ไปเทียบกับเด็กอนุบาลก็มีความรู้จริง แต่ถ้าเกิดไปเทียวกับเด็กมัธยมไปเทียบกับพวกมหาวิทยาลัยความรู้ก็จะน้อยลงโดยลำดับยิ่งเทียบสูงเท่าไหร่ตัวเองก็จะเตี้ยลงเท่านั้นเพราะก็จริงแล้วไม่มีใครที่มีความรู้จริงไม่มีใครที่รวยจริงไม่มีใครที่มีอายุยืนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่สูงกว่าแต่เป็นที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าเรื่องที่ตัวไม่พอใจ จะไปเทียบกับที่สูงๆเช่นว่ารู้สึกว่าตัวเองจนเพราะมีคนอื่นก็รวยกว่ารู้สึกว่าตัวเองสีเล็กไปเพราะมีคนอื่นก็สีสูงกว่ารู้สึกว่ายศเล็กไปเพราะมีคนยศท่านสูงกว่าเป็นต้นแต่ว่าพอมาเกิดเทียบเคียงในด้านที่จะก่อให้เกิดเป็นความไม่มืวเมาประมาทขึ้นมาคือบุคคลกลับไม่ได้คิดในแง่นั้น กลัไปเอาชีวิตตนไปเทียบอายุยุงอายุสัตว์เล็กๆเป็นต้นซึ่งในที่สุดก็ก่อให้เกิดเป็นความมัวหมองประมาทคล้ายๆกับตัวเองจะอยู่คําคว้าเป็นต้นพระเจ้าจึงทรงสอนให้มองบางครั้งก็ให้มองเหมือนกับตอมน้ําให้มองรูปเหมือนกระตอมน้ํามองเวทนาเหมือนกระหยาดน้ํามองสัญญาคือความจําเหมือนกับพยับแดดเป็นต้นมองสังขารที่เกิดขึ้นปรุงแต่งเหมือนกับกอกกล้วย มองวิญญาณเหมือนกับภาพมายาภาพมายาหรือภาพพยับแดดก็เหมือนกันเป็นภาพลวงตาเฉยๆที่จริงไม่มีในลักษณะเหล่านี้เวทนาก็เหมือนกันเหมือนกับตอมน้ําเกิดปั๊บแล้วก็หายปุ๊บไป <c oughs> เวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามคนเดือดร้อนเพราะเวทนาเดือดร้อนเพราะรูปโอ้ก็จริงพวกนี้เป็นนิดหน่อยแต่นั่นเองเป็นไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับตอมน้ําที่บังเกิดขึ้นมามองสัญญาคือความต่ําอีก ก็ไม่ลักษณะเหมือนกับพยับแดดคล้ายๆจริงคล้ายๆไม่จริงแต่เอาก็จริงก็เลือนหายไปเป็นของไม่เที่ยงความจําตั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปบางครั้งบางคราแม้แต่ฟังเรื่องราวบางอย่างอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งพอกสถานที่นั้นก็หายไปแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าสรงอุ ป, ปมาว่าฟังเหมือนกับรอยขีดในน้ำคือเลือนหายไปได้เลยสังขารเองก็ยึดถือกันเป็นเราเป็นเราที่จริงมันก็สมมติกันเป็นชั้นๆสมมติเป็นพระเป็นเจ้าคุณเป็นมาหาเป็นพระเป็น เป็นสามัญ น, นก็เป็นเด็กแตเป็นเด็กน้อยๆแล้วก็กลายมาเป็นไม่มีอะไรคือมองจากใหญ่แล้วก็ดึงไปหาเล็ก ก, ก, ลล ก, ก, ก, ก็กลายเป็นไม่มีอะไรและจากใหญ่มองไปอีกฟากหนึ่งก็กลายเป็นไม่มีอะไรดังนั้นคติธรรมต่างๆที่มีการแนะนําตักเตือนบอกกล่าวกันก็เพื่อมองให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรชีวิตนี้โดยอายุก็สั้นโดยองค์ประกอบก็ไม่มีความแข็งแรงโดยการก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยการแตกดับก็มีความเปราะบางมาก กระตุ้นเตือนในบุคคลดารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพยายามอาศัยสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีสาระนี่เองเสริมสร้างสิ่งที่มีสาระให้บางเกิดขึ้นนี่เป็นการช่วยให้บุคคลเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นสามารถไม่ยึดไม่ถืออะไรมากจนเกินไปความสงบความเยือกเย็นภายในใจก็จะติดตามมาและเมื่อพยายามเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็สามารถรอยวางสิ่งทั้งหลาย และเข้าถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลายได้ในขณะนั้นๆความสุขความสงบความรู้ก็จะเพิ่มปูนขึ้นภายในจิตและสามารถ่อนคลายสงบระงับรับะละกิเลสได้โดยลำดับต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป